บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของบนทินใจที่ทรงเรียกชื่อโดยนยะต่างๆเจึนเป็นสนิมใจปังเป็นเครื่องกรุ่มรุมใจปาง เป็นฝุ่นทุลีเป็นละอองของจ่ายปังเพื่อบุคคลได้มองถึงสิ่งเหล่านั้นโดยใช้รูปธรรมที่ยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงให้เห็นว่าสนิมก็ดีฝุนฝ่นละอองทุลีก็ดีหรือแม้แต่หมอกควันโครนตมต่างๆเป็นสิ่งที่มีความไม่ผองใสด้วยตัวของเขาเอง เมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอะไรก็จะทําทให้สิ่งนั้นพลอยสูญเสียความสวยงามไปด้วยคือกลายเป็นเครื่องเศร้าหมองไม่พองแผ้วตามไปด้วยลักษณะของอกุศลธรรมโดยสภาวะของเขาแล้วก็ก็เป็นเขาอย่างนั้นเพราะงั้นเมื่อเกิดขึ้นภายในใจใครเขาก็จะแสดงอาการของเขาตามลักษณะคือตามสภาวะ ไม่ได้เจาะจงว่าจะเกิดขึ้นภายในใจใครถ้าเกิดขึ้นโดยระดับเดียวกันอาการที่ปรากฏก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันตำนองคล้ายๆกับอุณหภูมิปรากฏในส่วน ใ, นในดของโลกก็ได้ถ้าปรากฏในระดับเดียวกันเมื่อนํามิเตอร์เข้าไปวัดมิเตอร์ก็จะขึ้นในระดับเดียวกันกิเลสเหล่านั้น ในส่วนที่เป็นนิวรณธรรมเป็นการสรุปรวมบรรดากิเลส ท, ทั้งหมดที่มีอาการปรากฏภายในจิตเข้ามาไว้ในกลุ่มหนึ่งอันที่จริงแล้วถ้ามองถึงสายเราจะพบว่าก็คือความโลภความกดความหลงนั่นเองเพียงแต่ว่าในขณะนี้พูดกันช่วงที่ก็เกิดขึ้นรุ่มรุงใจ จะทาจิตใจของตนให้แปรให้ของบุคคลให้แปรผันไปตามอำนาจของเขาเช่นความรู้สึกประเภทที่เป็นกามฉันในที่อื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้เช่นในอุปกิรลสนั้นเรียกว่าอภิชาวิสมาโลกภักหรือความโลภที่ไม่มีอาการสม่นเสมอคืออยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นน้น เรียกกลุ่มตันหาท่านก็เรียกว่ากามาตันหาเรียกว่าภวะตันหาในกลุ่มของมนทินท่านก็เรียกว่าราคะเรียกว่ากามาเป็นตน้นที่จริงแล้วการเรียกเหล่านั้นเป็นการเรียกถึงอาการที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นหรือบางครั้งเป็นการเรียกตามลักษณะของเขา เมื่อกล่าวโดยความกล่าวโดยสรุปแล้วก็คืออาการของกิเลสประเภทโลภะที่มีความเข้มค้นปรากฏแก่จิตในขณะนั้นแตกต่างกันแต่ก็เรียกเป็นช่วงๆก็ดูแล้วก็จะมากในช่วงที่เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจท่านจะเน้นไปที่อาการที่เรียกว่ า, รวาปริยุทธฐานะคือเกิดขึ้นกรุ่ม ร, มรุมใจอย่างต่อเนื่อง จะมีการมาฉันทะคือความกำนัดรักใคร่พอใจใจมันก็จะสายไปหาอารมณ์ดอกนั้นแม้แต่เพียงเรื่องเดียวคือรูปเพียงเรื่องเดียวก็อาจจะไปได้นานใหลายชั่วโมงอาจจะเสียงเพียงอย่างเดียวก็เพลิดเพลินอยู่ได้เสียงหลายๆชั่วโมงกลิ่นรสอะไรก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้แต่เรื่องอาการของความตึกนึกหรือความเหนียวนึกอาการเหล่านี้บางครั้งเขาก็มีความรุนแรง ออกไปจนออกมาในรูปของความซึมเศร้าคืออยากได้ใครดีจนไม่อาจที่จะส ต, ตอบสนองได้แต่ก็ไม่เป็นไปาตามที่ตัวต้องการก็เกิดอาการอย่างหนึง่งก็คือซึมเศร้าเกิดมาบางทีก็หมดอะไรตายยากในชีวิตของตนซึงก็เป็นผลกระทบมาจากผู้กรรมาชั้นก็ได้ปยญญาบ่าก็ได้หรือเกิดขึ้นโดยลำพังเขาเองก็ได้ อาการเหล่านี้จะทําให้บุคคลหยุดอยู่กับที่ไม่มีความเคลื่อนไหวไปไม่มีการกระทําความเพียรทั้งทางกายและทางใจมันก็มีปัญหาแม้จะทําลงไปผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามก็จะไม่เกิดตามที่ตนต้องการสรงช้ารรมะลีวถัถีนมิทถ์เป็นอาการว่วงเหงาหานอน ซึ่งซึมน้งงอยเง า, งงาหดผูกเคลื่ ม, มจืดชืชาเย็นมดอะไรตาอยากหรือว่าเส่งชีวิตเป็นต้นนั้นเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกันมากิเลสประเภทถีนมิทะนั้นเป็นกิเลสที่มีความเนื่องด้วยจิตสันดานด้วยสุขภาพกายของคนและด้วยสุขภาพจิตของบุคคล ที่เกี่ยวเนื่องโดยจิตตสันดานนั้นท่านสาวลึดไปถึงพื้นจิตที่ก่อให้เกิดเป็นชนกกรรมคือ น, นํามาเกิดว่ากรรมอะไรที่นํามาเกิดถ้ามีโมหะเจอือเจืออยู่มากภายในจิตมาถือปฏิสนธิในที่ใดก็ตามก็จะกลายเป็นคนที่มีอาการอย่างนั้นคือมักชอบหลับหรือหนักไปทางเคลิค้มหรือหลับไหลไป แม้จะปฏิบัติภารกิจการงานอะไรอยู่อาการของความเครื่อนหลักก็จะเกิดขึ้นได้เรือยๆอาการเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นอาการของโมหะซึ่งทํำปฏิกิริยาต่อจิตไม่รู้ตัวเองในแต่ละขณะว่าในขณะนั้นตรงกาลังทําอะไรกําลังปฏิบัติภารกิจอะไรใจก็เครือบเครื่เข้าสู่ความหลับใน ม, มีเรื่องที่ปรากฏใน พระธรรม บ, บทมีบุคคลมาฟังเทศในพุทธสํานนะักแต่ในขณะที่ฟังเทศนั้นมีอาการที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดและต่อเนื่องยาวนานจนไปที่สังเกตของพระภิกษุนั้นมีอยู่สีห่ห้าท่านเดียนคนหนึ่งนั่งขีดดินอยู่ได้เป็นชั่วชั่วโมง หูก็คงฟังเทศบางเหมาังเทศบางแต่มือก็ขีดติ่นไปคนหนึ่งก็นั่งขย่าต้นไม้จับตรงนั้นแกะตรงนี้ขย่าตรงโน้นอยู่ดีๆเทยกมืออยู่ไม่สุขคนหนึ่งคนหนึ่งก็นั่งเคล่อหลักบางช่วงก็สับประหนกบางครั้งก็หลับไปเลยบางครั้งก็ตื่นขึ้นมา อีกคนหนึ่งนั้นจะมองดูบนท้องฟ้าไปเป็นการฟังเทศอยู่กลางป่าทัากลางป่าไม้จะมองดูดาวจะดีๆจนพระพุทธเจ้าจบประธรรมเทศนาแล้วอาการของคนเหล่านั้นก็คงเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านทั้งสี่กลับไปแล้วพระวิสุท์ทั้งหลายก็เกิดความเครียแครงสงสัยว่าทำไม่ท่านเหล่านั้นจึงมีอาการต่อเนื่องนานเ เวรพลิกไปพลิกมาหรือว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในบางขณะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้นานหรืเกินตลอดระยะเวลาที่ฟังเทศจนจบเทศแล้วยังคงอาการเหล่านั้นอยู่พระเจ้าได้ทรงสแสดงสาวลึกถึงไปถึงเบื้องหลังสุดของอาการกิริยาเหล่านั้นก็คือกรรมที่บุคคลกระทําไว้สั่งสมไว้ในดิตการ เป็นตัวสร้างจิตสันดานให้มีอาการออกมาในลักษณะนั้นโดยทรงสแสดงว่าคนที่นั่งขีดดินอย่างต่อนเนื่องยาวนานนั้นในชาติก่อนเคยเกิดเป็นไส้เดือนมาการที่เคยกินดินอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันสร้างสะสมไวในจิตสันดานเพรามาถึงช่วงหนึ่งอาการเหล่านั้นก็ปรากฏออกมา ต่วนคนที่นั่งเขย่าต้นไม้อยู่เสมอแกะตรงนั้นเขย่าตรงนี้ขยับตรงนัน้นถึงตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งชงแสดงว่าในชาติปังก่อนก็เคยเกิดเป็นวานอนมาก่อนคือสนุกกับต้นไม้มานานแต่เวลาช่วงมันว่างโอกาสมันว่างจิตสันดาลเหล่านั้นก็ฟูขึ้นมา จะบังคับอาการทางกายของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปตามความเคยชินเพราะลักษณะของจิตนั้นถ้าแปลว่าสะสมสันดานอยู่ด้วยประการหนึง่งเมื่อความสิ่งเหล่านั้นมีการเก็บการสะสมอย่างต่อนเนื่องมาถึงจังหวหนึ่งแกก็ออกมาอาจจะเป็นอาการที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนอื่นอย่าง น, น, นานๆจนไปที่สังเกตของบุคคลทั้งหลายได้ แต่ถ้าพวกนี้ถ้าอยู่ลึกๆมากๆจนติดเป็นจิตสันดาลท่านเรียกว่าวาสนาไม่ใช่เป็นอาการของกิเลสแต่เป็นอาการการสะสมอย่างต่อเ น, นื่องแม้แต่พระหันทั้งหลายเองก็ละไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าตัว น, นั้นเองที่ละได้ทั้งกิเลสและวาสนาตามนัยยะของพุทธคุณบทว่าอรหังส่วนคนที่ นั่งมองดูท้องฟ้าอยู่นั่นจะทรงแสดงว่าในอดีตการได้เก็บสะสมความสนใจในเรื่องดาวนักัตฤกษกต่างๆคือเป็นหมอดูดาวมาก่อนแต่ก็ผ่านพบทราบ ต, ต่างๆมามากท่านก็พอใจติดใจในเรื่อง น, นั้นแม้ไม่ได้เกิดมาเป็นหมอดูดาวแล้วแต่ความคุ้นเคยในอดีตการได้สะสมจิตสันดานของท่านให้ชอบมองดูดาวในลักษณะนั้น สนคนที่มีอาการเคลืมหลับเครื่มหลับอยู่สม่ำเสมอถูกถีนน้มิทาครอบงำอยู่บ่อยๆนั้นไอ้ทรงแสดงว่าชาติก่อนเคยเกิดเป็นงูมาไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอโดยการเครื่มหลับในชาติที่เป็นงูเพราะฉะนั้นพอเกิดมาใหม่ ก, ก็แสดงอาการต่อปาในลักษณะนั้นเองนี่คือเป็นผลที่สืบเรื่องตามครบชาติมาแสดงออกมาให้ บุคคลมีลักษณะอาการตามกรรมที่เขาได้สั่งสมอบรมเอาไว้ประการที่สองเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับสถานที่ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องเกี่ยวเรื่องของอาหารดปวยตันประการของการเคลื่อหลับนั้นแม้คนที่มีวาสนาบารมีสูงส่งความธรรมเทศนาสองบรรทัดบรรลุเป็นประโสดาบันได้ต่เอาจริงก็ถูกความงงครอบงําหมกัน นั่นคือตัวอย่างพระโมคขลานะเทระตอนนี้ท่านเข้ามาบวชใหม่ๆนั้นที่จริงก็เป็นพระโสดาบันมาแล้วเวลาไปนั่งบำเพ็ญเพียรถูกความง่วงครอบงมนั่งสัตประงกอยู่แก้ปัญหาไม่ตกผู้เจ้าต้องเสด็จไปโปรดแล้วก็แนะอุบายบางีแก้ง่วงให้จนถึงถึงแดข้อด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าเป็นการแก้ ง, ง่วงท่ากลางสภาพแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นในทางการประธฤติปฏิบัติบุคคลก็อาจจะปรับใช้ให้เหมาะให้ควรแก่สถานที่ที่ตนเข้าไปบำเพ็ญเพียรหรือหาความสงบอยู่ในที่นั้นก็ได้และในที่สุดเมื่อท่านควังธรรมเทสนาเป็นอุบายแก้ ง, ง่วงได้ บำเป็นเพียรตามที่ทรงรอนุสาสั่งสอนถ้าก็บรรลุมรคผลในที่นั่งนั้นเองประการที่สองก็อาจจะประการที่สามก็คืออาจจะเกี่ยวกับสุขภาพจิตของบุคคลในขณะนั้นเห็นว่ามีปัญหาอะไรที่คิดมากจนเครียดไปโดยคิดมากจนจนเมื่อยล้าไปจิตใจก็รู้สึกล้ารู้สึก พึงก็อยากจะพักอยากจะหลับตอนเวลาการเรียกร้องจิตโดยธรรมชาติเพราะปัญหาเรื่องทีน้ำมิธาจะพบว่าแม้คนระดับพระอริยบุคคลเองก็อยากตัดไม่ได้จึงจะต้องต่อสู้กันยาวนานพอสมควรเวลาทรงสั่งสอนนั้นทรงสั่งสอนโดยโครงสร้างเดียวกับข้ออื่นเปลี่ยนแต่ชื่อของนิวรณ์แต่ละข้อแต่นั้นเอง อาจารย์แรกก็คงสงสอนให้รู้ว่าทีน้ำเมื่อทีน้มิถานิวรณ์บังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะ น, นี้จิตของเราถูกทีน้มิถานิวรณ์ครอบงาเอาไว้แต่ก็ให้มองในลักษณะสืบสอบไปถึงในขณะก่อนแล้วเราก็จะพบว่าที่จริงแล้วจิตไม่ได้ถูกทีน้มิถานิวรณ์ครอบงาอยู่ตลอดระยะเวลา เพียงแต่ว่าเป็นบางครั้งบางโอกาสเท่านั้นเองพอดูสภาพใจของเราบางครั้งก็เป็นกุศลอยู่ได้นานๆบางครั้งก็เป็นอกุศลอยู่ได้นานๆบางครั้งก็สลับกันไปสลับกันมาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากอารมณ์แวดล้อมเราที่ปรากฏอยู่ยในขณะนั้นๆก็ได้ก้อนี้เป็นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางจิต ท, ที่เร็วก็คือเวลาที่นั่งดูเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หรืออ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ จะต้องอ่านหนังสือ น, นังใยายหรือว่าดูละครโทรทัศน์หรือว่าดูการแสดงภาพยนตร์อะไรต่หนจิตใจของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามอาการที่เขาแสดงให้ปรากฏในขณะนั้นมีความรักมีความจังมีความโกรธมีความเพลิดเพลินมีความเศร้าส้อยไปตามสมควรแก่ บ, บทบาทที่มีการแสดงอยู่ในขณะนั้นหรือมีการอ่านอยู่ในขณะนั้น นั้นแสดงเห็น้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใ น, ในใจนั้นมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกตัวการใหญ่ที่เป็นไปเช่นนั้นก็คือการไหวตามการคล้อยตามการยอมรับคือไปทึกทักว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังแต่กว่าไม่ทึกทักเป็นเรื่องจริงเรื่องจังมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตำนานใกล้ๆ ก, ก, กับการเล่นต่างๆ เด็กก็เล่นกันแล้วก็มีการเอาจริงเอาจังกันเป็นเรื่องไป็นรากันแต่ผู้ใหญ่เราก็มองอยู่ข้างนอกดูแล้วก็น่าน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารแต่ไม่จะไม่ไปร่วมทะเลาะหรือร่วมทุ่มเทียงอะไรกับเด็กเพราะรู้นั้นเป็นเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดคือความหลงผิดของเด็กเองลักษณะของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความที่จริงก็ทั้งกำนัดขัดเคือง แล้วก็เหมือนกันคือตัวอารมณ์นั้นจะมีความสําคัญน้อยกว่าการกําหนดอารมณ์เพราะอะไรเพราะอารมณ์ที่ปรากฏในแต่ละขณะนั้นอันปรากฏแก่ใครก็ได้ปัญหาว่าเขามีความรู้สึกมิคิดในเรื่องเหล่านั้นอย่างไรเชื่อมั่นตัวการแสดงละครด้วยภาษาต่างประเทศที่เราไม่เข้าใจจิใจก็จะเปลีป่ยนแปลงไปน้อย ไม่ว่าจะเป็นความชอบความชางังความสนุกสนานความเพลิดเพลินหรือความเศร้าส้อยต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้น้อยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเร่งที่สะท้อนมาจากข้างนอกนั้นไม่สามารถสื่อให้เราเกิดเปลี่ยนแปลงทางจิตได้เพราะาเราไม่รู้ภาษาเราดันแต่จะมาคนที่รู้ที่เข้าใจถึงแง่มุลต่างๆนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ถ้ารู้ถึงความเป็นจริงก็มองดูในแง่ ที่ว่าเขาฉลาดสามารถในการจัดในการแสดงอย่างไรใจเราก็จะมองในแนวของการใช้ปัญญาพิจารณาหาจุดดีหาจุดเด่นในเรื่องเหล่านั้นไม่ได้สนใจติดใจอะไรไะในความรักความชางังหรือความเศร้าโศกเป็นต้นมันก็ไม่คล้อยตามที่เขาแสดงให้ปรากฏในขนาดนั้นซึ่งเหล่านี้ที่จริงผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสามารถจะตัดสินได้ด้วยใจตนเองเวลาประสบอารมณ์ต่างๆในชีวิตประจาวานันว่า อารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่ตัวกาหนดแต่ว่าใจเราเป็นผู้กาหนดจใจเกิดเป็นอาการอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือไม่หรือจะไม่ให้เกิดเกิดก็ได้จะโครงสร้างที่ทรงสอนเป็นรูปของพุ้ตูฐานที่ทรงใช้คาว่ากรมเป็นความดำริของคนความดำริเป็นกรมของคนจะถึงรับสั่งว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้ว เจ้าเกิดขึ้นจากความดำรินี้เองต่อไปเราจับไม่ดำริถึงเจ้าอีกแล้วโดวยโครงสร้างการปฏิบัติแล้วก็เป็นเช่นนั้นแต่พึงสังเกตว่าไม่ใช่เฉพาะกามอย่างเดียวเพราะในขณะนั้นทรงประรบกามก็ใช้กรรมกามแต่ว่าความโกรธความอาฆาตพยาบาทความริษยาความรักความเมตตาเป็นต้นมันเกิดจากความดำริ ด, ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าก็มีความดำริในทางที่ชอบพวกกลุ่มของกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นถ้าดำริในทางไม่ชอบจะเริ่มต้นโดยอกุศลธรรมข้อใดก็ได้แต่มันก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปไปสู่ข้ออื่นคราวนี้ไปสังเกตเช่นไปดูผลไม้อะไรสักผลหนึ่งสวยงามน่ารับประทานดีแล้วเกิดความยความโรบขึ้นในขณะนั้น ต่อมาปรากฏว่าพอพลิกไ ป, ปพลิกมาไปเจอศูนย์จุดมันเสียในความอยากได้มันจะลดลงไปทีนี้ถ้าหาว่าเจ้าของเขาพยายามขอร้องให้ซื้อในราคาที่วางไว้เราจะเกิดโทสัพรู้สึกว่าไม่ค้าพราค้าก็รารัตเราเปรียบเราพระรบผลไม้ผลเดียวจึงเกิดได้ทั้งโลภะเกิดได้ทั้งโศกะเกิดได้ทั้งโทสั ถ้อาจจะเกิดออกมาในลักษณะแรงๆกว่านั้นก็ได้ล้วขึ้นอยู่กับการกำหนดจิตหรือการปรุงของจิตในขณะนั้นนั้นทีนี้ิทานิวรณ์ที่จะเกิดหรือ ว, ว่านิวรณ์ข้ออื่นก็ตามคือแกไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตเราอย่างต่อเนื่องเพราะงั้ก็ทรงสอนให้ดูว่าทีนี้นิทนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนี้ มันเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรก็มองมาจากที่ว่าเมื่อก่อนในแกไม่เกิดแต่ในขณะนี้แกเกิดก็มองจากจุดที่ปรากฏตรงนี้แหละไปหาจุดที่ยังไม่ปรากฏก็คือเหตุที่ให้แกเกิดทำนองคล้ายๆกับไปมองเห็นของที่เขาวางไว้ดรวยสิ่งสกปรกที่ปรากฏในที่ใดที่หนึ่งไอ้สิ่งสกปรกนั้นปรากฏอยู่ต่อหน้าเราในขณะนั้น แต่ได้เรามองย้อนอดีตว่าอะไรจึงทําให้สกปรกอาจจะมีการสอบถามมัน จ, จะมีการสืบไปอีจุดใจุดหนึ่งที่จะสืบสอดตามไปที่ต้นทางที่มาขอ ง, งสิ่งสกปรกได้เราก็ตามไปเพราะความคิดในแนวของการสืบ อ, อดีดโดยสายผลที่ปรากฏในปัจจุบันจึงเป็นการทํางานตามหน้าที่ของคนประการหนึ่งที่จริงเราก็ใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน เดียนแทรงสอนให้ดึงมาดูตรงนี้ใช่บ้างดึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตว่านิวรณ์เนี่ยเมื่อก่อนแกยังไม่เกิดติ่นั่นมิตะนิวรณ์เมื่อก่อนก็ยังไม่เกิดกมามอาจาย์พยาบ่ายก็ทำต้องเดียวกันแต่ในขณะนี้แกเกิดแล้วก็ปรากฏอยู่ภายในจิตเพราะงั้นลองสืบดูสิว่าแกเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะเมื่อก่อนแกไม่มีมันมีมาได้ยังไงแกมาจากไหนทําไมจึงมาได้ทําไมจึงมีได้ เหตุเกิดที่นิมิตะนิวรนนั้นเราที่บอกไว้แล้วว่ามีอยู่หลายประการอาจจะเป็นเรื่องกิจสันดานเป็นเกี่ยวข้องกับชนกกรรบแต่สร้างกิจสันดานของบุคคลเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะพบว่าบุคคลบางคนแกหลบขางแกอย่างนั้นเองไปทําอะไรก็หลับบางคนยุ่งยุ่งขนาดรับประทานอาหารอย่างหลับนี่ก็เป็นลักษณะทางกิจสันดาน เรื่องจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาจนสุขภาพกายสุขภาพจิตในขณะนั้นๆเข้ามาผสมลงก็ไปด้วยก็ได้แล้วส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากที่ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราแก้ได้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการรับประทานอาหารเรื่องของอาหารนั้นจะปรากฏอยู่ในที่ต่างๆของคําสอนอยู่มาก เพราะชีวิตของเรานั้นขาดอาหารไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันชาวโลกส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารเรียกมีปัญหาเรื่องปัจจัยสี่อยู่ตลอดดัง น, นก็สอนให้ดูว่าเรื่องอาหารจะปรากฏทั้งในชั้นศีนลในชั้นธรรมะและที่ประ น, นิขึ้นไปแม้ระดับกรรมฐ า, านก็จะมีเรื่องอาหารเข้ามาประกบไปตลอดตอนนี้เป็นเพราะอะไร รอบประการแรกก็คือสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้ด้วยอาหารจะทำยังไงว่าให้ชีวิตเป็นอยู่แต่ไม่อาหารสร้างปัญหาให้เพราะอะไรเพราะอาหารที่ไม่มีเลยก็ทำให้ชีวิตอยู่ไม่ได้อาหารที่น้อยไปไม่สามารถจะปฏิบัติภ า, ารกิจการงานตามฐานะหน้าที่ของตนได้อาหารที่มากไป ก็ทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กิจการงานได้ดีเช่นเดียวกันเพราะทําอย่างไรจึงเกิดการพอดีที่ทรงใช้คำว่ามตัตตัญญาตาหรือมัตัญญาตาจะผ่าตัดสมิงความเป็นผู้รู้จักประมาณในภัตตาหากการบริโภคภัะตาหากให้รู้จักว่าพอดีเพราะตาหากว่าน้อยไปแล้วนอกจากว่าจะมีปัญหาดังกล่าว นิวรณ์ที่เราต้องการสึก ง, งบด้วยอารมณ์ของกรรมาฐานนั่นเองก็จะกำเริ่เร็วขึ้นเพราะอาหารน้อยไปนั่นคือในชั้นแรกจะออกมาเร็วของกุกกุกุกจะอุทธะคือฟุง้งซ่านใจก็แว บ, บไปดูที่ความรู้สึกความคิวซึ่งเสียดแทงอยู่ในขณะนั้นนั้นปัญจจะไดที่จะอยู่กับอารมณ์ของกรรมาฐานมันก็อยู่ไม่ได้ พอตัวความหิวมันเสียดแทงแรงกว่าใจก็อยู่กับความหิวไปคิดพลั้นไปโดยประการต่างๆบางครั้งบางคราวอาจจะถูกกาหนดให้ไปนั่งกรรมฐานอยู่จํานวนเท่านั้นเท่านี้นาทีหรือเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงแล้วความหิวมันเสียดแทงอยู่เรื่อยๆแต่ที่จะภาวนาได้แทนที่จะบริกรรมได้แทนที่จะเพ่งปินิดได้ตามสมควรแกร่อารมณ์กรรมฐานใจมันก็มาอยู่กับสีนมิธา มาอยู่กับความหิวที่เสียดแทงอยู่ในสูก่ก็กลายเป็นฟุ้ฟงซ่านพอวุงซ่านนั้นอาการฟุ้งซ่านในเราสังเกตว่าพอปริมาณเกยเพิ่มขึ้นเกย์จะงดหงิดเกยจะงดหงิดมันก็ออกมารูปของกุกุจจะคือนิวรณ์ข้อนี้ก็เกิดขึ้นทั้งสองช่วงและกุกุจจะนั่นเองพบเพิ่มขึ้นมานบ่อยๆมันก็กลายเป็นพยาบาทอาจจะกลายเป็นโกธาคือความโกรธแล้วก็โทสะความมัทุสไรจนกลายเป็นพยาบาท ตรงลงว่าแทนที่จะสงบนิวรณ์ได้มันกลับเพิ่มนิวรณ์เพราะอะไรเพราะอาหารเป็นเหตุอาหารเป็นต้นข้าวให้บังเกิดขึ้นนั้นในกรณีที่น้อยเกินไปก็จะเพิ่มกิเลสขึ้นอีกเพิ่มนิวรณ์ขึ้นสองข้อคือเพิ่มอุทจักกุกจจะในช่วงแรกอุทจักในช่วงแรก ก, แร ก, กุกุจจะในช่วงที่สองแล้วต่อมาก็จะกลายเป็นพยาบาทลักษณะาการเดินของจิตตามอาการ ปรากฏของกิเลสหรือธรรมานั้นเพื่สังเกตว่าแม้เรื่องธรรมะก็จะเป็นเช่นเดียวกันเช่นตัวอย่างเรื่องศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตถ้ากำลังเขาไม่พอไม่มากพอเขาจะขจัดความไม่เชื่อไปก่อนแต่จะเป็นการขาจัดในแต่ละจุดไม่ใช่ขจัดได้มากอะไรทํานองกล้ๆกับเราจุดเทียนขึ้นมาดวงหนึ่งก็ขจัดความมืดได้เฉพาะจุดนั้น แต่ไงก็ตามในจุดนั้นมันก็มีแสงสว่างปรากฏจนแต่เราต้องการในสว่างเพิ่มขึ้นก็ต้องจุดเพิ่มขึ้นพอถึงจุดหนึ่งนั้นสิ่งที่เคยมือดอยู่ก่อนมันจะสว่างตามไปด้วยเพราะว่าแสงเทียนได้ส่องไปถึงในจุดนั้นมันทำมาปฏิบัติราก็เป็นเช่นเดียวกันพอศรัทธาแกมีกำลังสูงขึ้นแทนที่จะขจัดอยู่เฉพาะความไม่เชื่อไปขจัดความเครือบแคลงสงสยัย และความเครือบแคลงสงสัยมันก็ตีวงกระจายออกไปมากๆจนสามารถขจัดความเครือแคลงสงสัยได้มากขึ้นแล้วก็จุดที่เองเราเดินได้จนถึงเป็นพรวสุดามันโดยอาศัยความเข้มข้นของสัตยาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวิจิเล น, นก็จางไปจางไปจางไปพอถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นการขาจัดวิจิกิจชาคือความเครือบแค่งสงสยัยซึ่งก็เป็นอาการของโมหะหือความหลง และในการต่อไปเมื่อปริมาณศรัทธาสูงขึ้นจะขจัดไปถึงกามะชังซึ่งถ้าหากว่าท่านสาธุชนได้มองสภาพจิตของพระยาบุคคลนะจะเห็นได้ชัดว่าจากศรัทธาที่เริ่มก็าจากความไม่เชื่อต่อไปขาจากความเครือบแคลงสงสัยได้แล้วเมื่อขจัดความเครือบแคงสงสัยไปได้อย่างสมบูรณ์ก็เป็นประโสูติัน์แล้วไปถึงไปขจัดพวกกามะชัง กรรมฉัดนั้นเป็นอาการของนิวรณ์แต่ในส่วนรึกกว่านั้นก็คือเป็นสังโยชน์เป็นอนุสัยเพราะฉะนั้นถ้าท่านกระจัดกรรมฉันได้อย่างสิ้นเชิงแสดงว่าท่านเป็นพระนาคามีโดยอาศัยกุศลนธรรมที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอกุศลนธรรมก็ลดลงลดลงแต่ในสายนี้หมายความว่อาอกุศลนธรรมแก่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกุศลนธรรมเลยลดลงลดลงไปเรื่อยๆความเข้มข้นของกิเลสจะมีความรุนแรงสูงขึ้น จากพุ่งชั่นเป็นหงุดหงิดอจากกุนหงิดเป็นไม่พอใจไม่ยินดีมีการกระทบกระทั่งมีความโกรธมีความประทุษรายจนกลายเป็นพยาบาทเอกุศลธรรมต่างๆก็ถอยร่นไปใจเบ็ดใจขนาดนั้นก็ถูกปกครองถูกครอบงำด้วยบรรดาอากุศลธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆเช่นเดียวกันเกิดขึ้นของกองไฟใหญ่ก็เกิดขึ้นในจุดเล็กๆของไฟนั่นเอง ด้านในที่นี้ท่านจึงสอนให้มองเห็นโทษของการมีอาหารน้อยเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ให้เห็นโทษของการมีอาหารมากเกินไปด้วยเพราะอะไรเพราะอาหารที่มากเกินไปนั้นมันก็สร้างนิพพานในสองข้อเหมือนกันข้อแรกก็คือสร้างข้อแรกก็คือสร้างพวกตีนมิดทาดังกล่าวประชวงที่สองก็ข้งสร้างกรารมาัน แต่นั้นปัญหารเรื่องอาหารพระเจ้าจึงทรงสอนเน้นในเรื่องมัตตันยุตาจะพัฒสมิ่งคือความเป็นผู้รู้จักประมาณในปัตตาหารเพื่อจะทํากายและจิตของบุคคลให้พร้อมที่จะน้อมไปเพื่อสร้างสมาธิบางเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตแต่ตนแต่ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป